บัณนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งอนุสติข้อต่อไปนั้นคืออุปสมานุสติแปลว่าการตั้งสติตามระลึกถึงพระนิพพานอันเป็นที่สงบส ง, งับแห่งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ คำว่าอุปสมะเป็นชื่อของธรรมที่ทาหน้าที่สงบระงับกิเลสซึ่งเกิดขึ้นกรุ่มรุมจิตใจของบุคคลในที่บางแห่งเช่นในอธิษฐานธรรมท่านใช้คำว่าอุปสมะแปลว่าสงบจิตจากสิ่งที่เป็นข้าศึก ต่อความสงบการใช้ในกรณีนี้เป็นการใช้เมื่อบุคคลได้อาศัยปัญญาพินิษพิจารณาเลือกสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติแล้วก็ตั้งสัจจะที่จะปฏิบัติสิ่งนั้นให้ได้จริงๆแต่เมื่อตั้งสัจจะไปแล้วมีกิเลสประเภทที่เรียกว่าเป็นมารคอยขัดขวาง ให้สามารถทำได้ป็ทรสงสอนให้สละกิเลสเหล่านั้นออกไปจากใจแต่การสลัดหรือสละกิเลสออกไปได้นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากดังนั้นจึงต้องมีธรรมะอีกข้อหนึ่งคือการสงบความคิดได้แก่การไม่คิดถึงเรื่องเหล่านั้นหันมาคิดในเรื่องอื่นซึ่งไม่ทําให้จิตใจของตน ต้องศูนย์เสีย ส, สัจจะที่ตั้งเอาไว้และในที่บางแห่งเช่นในคาถาที่ใช้บางสกุลซึ่งสาธุชนทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังกันมากแล้วที่จบลงด้วยคำว่าเตสังวูปะสมโมสุขโขซึ่งแปลเป็นใจความว่าการเข้าไปสงบระงับในสังขารทั้งหลายเป็นความสุขถังนี้ โดยความหมายแห่งธรรมะข้อนี้ในทีท่ทั่วไปก็หมายแต่เพียงว่าการพยายามยอมรับถึงความจริงและไม่ปล่อยให้ความเศร้าโศกร่ำรเป็นต้นก็ครอบงำใจสงบใจจากเรื่องเหล่านั้นก็ขอให้เกิดความสุขขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งเป็นการสงบความยึดถือ ด้วยอนาจของตัญหามานะและทิฐิในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราแต่ว่าจุดมุ่งหมายที่สมบูรณ์จริงๆของคำนี้ก็คือการบรรลุนิพพานเช่นเดียวกันคำว่านิพพานเป็นธรรมะประเภทที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เอง และเป็นปัจจดตางเวดิตบโปวินยูชีกานบินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นอุปมาเหมือนการรู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มซึ่งต้องอาศัยการชิมการดื่มของบุคคลนั้นชนใดการรู้พระนิพพานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึงมีวิมุตต์หรือนิพพานเป็นรส อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ารถแห่งธรรมเป็นรถที่ประเสริฐกว่ารถทั้งหลายโดยความหมายสูงสุดก็หมายถึงรถที่เรียกว่าวิมุตติรถคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ดังกลาง่าวการวันนิพานจึงมีคำที่ใช้เรียกในชั้นของปริยัติคือการศึกษาและเรียน เพื่อกอให้เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจแต่ว่าผลจะสัมผัสได้ด้วยใจดังที่กล่าวมาแล้วในย่าหนึ่งทรงแสดงไว้เป็นชุดว่ามะดานิมมาโนแปลว่าเป็นธรรมะที่ย่ำยีหรือทาลายเสียซึ่งความเมาข้อนี้พึงสังเกตว่าจิตใจของบุคคลเรานั้นสาบใดที่ยังละอวิชชาไม่ได้ ยังมีโมหะเกิดขึ้นกลุ่ม ร, มรุมใจทำให้บุคคลมีความลุ่มหลงมีความมววเมาไปในสิ่งต่างๆเช่นเมาในชีวิตในความไม่มีโรคในรูปในสมบัติในเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการสมมติบัญญัติกันแต่ยามใดก็าตามที่ผู้ปฏิบัติสามารถพัฒนาจิต ขจัดโมหะออกไปได้ความเมาซึ่งเคยเกิดขึ้นก็จะถูกทำลายหมดไปแต่นั้นนิพานจึงได้ชื่อว่าทมอันเป็นเครื่องทำลายเสียซึ่งความเมาต่างๆปีปาสวินโยแปลว่าเป็นธรรมะที่สงบระงรับดับเสียซึ่งความกระหายดิ้นรนทะยานอยากในอารมณ์ต่างๆ กรนีอาการที่เห็นได้ชัดก็คือเมื่อจิตตกจู่ในอำนาจของกิเลสสายโลภะจะเป็นความรักใคร่ความยินดีความพอใจความปรารถนาความต้องการหรือความละโมบโลภจากได้ในสิ่งเหล่านั้นก็ตางจิตของบุคคลจะกระหายจะมีความอยากความต้องการในสิ่งเหล่านั้นและเป็นความต้องการ ที่ไม่รู้จักคาว่าเต็มคำว่าอิ่มคำว่าพอคำว่าหยุดแต่ประการใดอย่างที่ทรงแสดงลักษณะของตันหาไว้โดยปริยายหนึ่งว่าแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีซึ่งหมายความว่าจิตที่ถูกตันหาเข้าครอบงำไ้นั้นจะมีอาการกระหายอยากได้อยู่ร่ำไปเหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชือ้อฉะนั้น แม่น้ำบางครั้งบางคราวอย่างเต็มได้แต่ใจคนซึ่งกระหายด้วยอำนาจของกิเลสจะไม่มีคำว่าเต็มครว่าอิบแต่เมื่อเข้าถึงนิพพานแล้วนิพพานจะทำหน้าที่สงบความกระหายเหล่านั้นข้อนี้เพึ่เห็นตัวอย่างที่พระู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสัสรู้แล้วประทับอยู่ที่ต้นไซชื่ออัจฉริปานิโครธ มีมานและธิดามานมายุยยวนด้วยเรื่องราวต่างๆโดวยวัตถุต่างๆอันเป็นที่ใคร่เป็นที่ปรารถนาเป็นที่พอใจของผู้มีกิเลสทั้งหลายแต่เนื่องจากกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ของพระผู้มีพระภาคจะสงบระ ง, งับไปแล้วพระองค์จึงไม่มีความกระหายในอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นนิพพานจึงชื่อว่าทำเป็นเครื่องสงบระ ง, งับความกระหาย ข้อที่สมเรียกว่าอารยะสมุคคาโตคือเป็นธรรมะที่ถอนขึ้นหรือถอนออกซึ่งความเยื่อใ่ความอะไรในสิ่งต่างๆในข้อนี้ทรงอุปมาจิตของบุคคลไว้ว่าเหมือนกับปลาที่เกิดจเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีความเพลิดเพลินมีความสยบติดอยู่ในน้ำและเมื่อ ปลาไปตกอยู่ในที่อื่นนอกจากน้ำแล้วปลาจะต้องดิ้นเพื่อกลับมาสู่น้ำอีกเช่นใดเจใจของบุคคลนั้นเกิดเจริญเติบโตอยู่ด้วยอำนาจกรรมกุลมีความเพลิดเพลิน ม, มีความยินดีอยู่ในวัตถุกรรมทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อนาคใคร่ละปรนารถนาพอใจเพราะมีกิเลสกาม ซึ่งเป็นตัวเหตุได้เกิดความใครในอารมณ์เ่าั้นนจุ่แต่เมื่อผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงความดับความสงบระ ง, งับจะเรียกว่า น, นิพานแล้วก็จะถอนขึ้นได้อย่างเด็ดขาดซึ่งความอาลัยเหล่านั้นจะไม่มีการหวนกลับมาหรือความจดนึกถึงสิ่งที่จนละไปแล้วดูเขิละอันบุคคลถมทิ้งไปแล้วไม่มีใครปรารถนาที่จะ ดื่มไปได้อีกเช่นเดียวกันเชนั้นลักษณะเหล่านี้ผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ว่านัยยะของพระนิพพานนั้นเป็นการอธิบายธรรมะในลักษณะที่เป็นบันไดทมขึ้นไปเรื่อยเเพราะฉะนั้นโดยประยายหนึ่งโดยนัยยะหนึ่งจึงมีคำว่าสันธิติกังนิพพานังคือนิพพานที่บุคคลจะพึงเห็นได้ ในขณะนั้นนั้นซึ่งหมายความว่าขณะใดก็ตามที่บุคคลสามารถสงบกิเลสด้วยเมตตาธรรมบ้างด้วยขันติบ้างโดยการให้อภัยบ้างด้วยความกรุณาเป็นต้นบ้างความทุกข์โทษต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะความคิดเพราะการพูดเพราะการกระทามไปด้วยอำนาจของกิเลสก็ชื่อว่าสงบเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นความดับ ซึ่งมีปริมาณความสุขอยู่ในระดับหนึ่งที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันของตนตัวธรรมะที่มีความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสติกับสัมปชัญญะหรือสติปัญญาทั่นเด่กที่จะทำหน้าที่ระลึกรู้แล้วก็ตัดกระแสของอารมณ์ที่เป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในลักษณะต่างๆ บางครั้งท่านก็เรียกว่าทะทังกัวิมุตต์คือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสด้วยอารมณ์นั้นๆหรือด้วยองค์นั้นๆและอีกระดับหนึ่งที่เคยกล่าวมาก่อนว่าคือวิขัมภาปิมุตต์ได้แก่จิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยกำลังแห่งฌานซึ่งเป็นผลการปฏิบัติในสมถกรรมฐานซึ่งมีการศึกษาและมีการปฏิบัติกัน เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วกิเลสก็จะสงบระ ง, งับไปสาปเท่าที่ชาติยังไม่เสร็จแล้วขอให้ดูตัวอย่างในชั้นของการดับกิเลสด้วยอารมณ์นั้นๆก็นี้พึงดูตัวอย่างว่าการละหรือการดับกิเลสบางเรื่องบางกรณีที่แต่ละคนได้ปฏิบัติมาแล้วนั้นจะไม่มีความอลัยเยื่อใอ ย, ยอยู่ในสิ่งเหล่านั้น ฉันยกตัวอย่างว่าบุคคลที่เคยตกเป็นทาสของบุรีเคยสูบบุรีหรือเคยดื่มสุราหรือเคยเล่นการพ น, นันคือสรุปว่าเคยประพฤติผิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาและได้ใช้ปัญญาพินิษฐ์พิจนาเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นจนเลิกละไปได้โดยเด็ดขาดในชั้นแรกจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนสามารถละสิ่งเหล่านั้นได้ ใจในตอนแรกนั้นอาจจะมีลักษณะเหมือนลูกโคโที่เพิ่งหย่านมก็ได้คืออยากจะกลับไปหาแม่อีกแต่ถ้าหากว่าได้เพิ่มความเข้มแข็งขึ้นในที่สุดจะรู้สึกวางเฉยต่อสิ่งที่ตนเคยจิดแม้จะมีใครมาชักชวนให้ดืม่มให้บริโภคให้เสพสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ปรารถนาที่จะเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ไม่ ต้องการที่จะไปเสพหรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกจนถึงความเปลี่ยนแปลงในจุดหนึ่งจะเกิดเป็นกรุณาขึ้นภายในจิตใจเช่นคนที่เลิกดื่มสุราได้เมื่อผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับแล้วจุดหนึ่งเนี่ยนอกจากจะไม่อาลัยในสุราเหล่านั้นแล้วยังสงสารคนที่ดื่มสุราหรือคนที่เคยเลิกละเล่นการพนันมาโดยลำดับ จนไม่อยากที่จะเล่นอีกแต่ถึงจุดหนึ่งนี่จะกรุณาต่อคนที่เล่นการประนั้นหรือสุภรีเป็นต้นก็มีลักษณะอย่างนั้นพอถึงจุดหนึ่งนั้นจะไม่มีอะไรนอกจากจะไม่มีอะไรในสิ่งนั้นจิตจะเปลี่ยนเป็นกรุณาต่อบุคคลที่ยังตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอยู่ดังนั้นจิตของพระไทยของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอรหันต์ก็มีลักษณะอย่างนั้นนอกจากท่านจะถอน ความอะไรในสิ่งต่างๆออกไปได้หมดสิ้นแล้วพระทัยและจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายยังกรอบด้วยกรุณาเปี่ยมล้นในสรรพสัตว์พระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายจึงไม่เบื่อต่อการโปรดการแนะนำการสั่งสอนการเลือขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏเพราะว่าผลเหล่านั้นท่าน สัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่จิตใจไปโดยลำดับดังกล่าวข้อที่สี่เรียกว่าวัตตุปัจเฉโดแปลว่าเป็นธรรมที่เข้าไปตัดเสียซึ่งวัตตะคำววัตตนั้นเป็นอาการบนของสังสารวัฏประกอบด้วยปัจจัยสำคัญเพียงสามอย่างเท่านั้นเอง แต่บางครั้งท่านก็กระจายออกไปเป็นรูปของปฏิจจสมุปบาทที่เรียกว่าปัจจยยการซึ่งประกอบด้วยองค์ธรรม12บสองข้อเป็นลักษณะของปฏิกรยาลูกโซ่คือจะหมุนกันอยู่เรื่อยไปไม่มีคำาหยุดต่อเมื่อไรตัดลงไปได้ก็คล้ายๆกับงูตัวหนึ่งเมื่อบุคคลตัดสีรษะได้การเคลื่อนไหวต่างๆของงูก็หยุด ไรวัตนั้นก็คือกิเลสกรรมและวิบาก ท, ที่ท่านเรียกว่ากิเลสวัตรกรรมวัตและวิปากวัตกิเลสวัตก็คือบรรดากิเลสทั้งหลายที่มีรากยาอยู่ที่อวิชชามีกิ่งยาอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงมีกิ่งเล็กๆแตกย่อยออกไปจากสายเหล่านั้นมากมายด้วยกันอย่างที่ท่านเรียกกันว่าเป็นกิเลสพันห้า ตราใดที่บุคคลยังมีกิเลสอยู่การกระทําของคนก็ต้องเป็นกรรมอาจจะเป็นกุศลอกุศลหรืออัพยกฤตก็ตามเมื่อทํากรรมไปแล้วก็ต้องรับผลของกรรมตามสมควรเกตุที่บุคคลได้ประกอบกระทาลงไปเมื่อผลกรรมเกิดขึ้นก็เพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกหมุนกลับเข้าไปทํากรรมอีกแล้วก็รับผลออกมาอีกแล้วตั้งต้นใหม่เป็นกิเลสอีก กรณี้พึงดูตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าบุคคลมีโลภะคือความโลภอยู่ภายในใจกระทากรรมมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วก็รับผลออกมาตามสมควรแก่กรรมที่ตนฆ่าที่ตนได้กระทำพอรับผลไปแล้วกิเลสนั้นยังไม่ได้ละยังไม่ได้เลิกบุคคลก็ทํากรรมอีกก็หมุนกลับกันมาอยู่อย่างนี้เพียงสามอย่างเท่านั้นเอง ดันั้นพึงสังเกตว่าในแง่ของสังสารวัฏที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงการเกิดของคนและสัตว์ทั้งหลายมันก็แสดงถึงวัตตะสามประการนี้อย่างยกตัวอย่างองค์ประกอบทางนามธรรมที่นำสัตว์ไปอุบัติบังเกิดในสังสารวัฏก็ทรงชี้องค์ประกอบสามอย่างคือกำมังเขตตัง มีกรรมเป็นเนื้อนนาวิญญาณังมีชังมีวิญญาณเป็นพืชตัณหาสินเนหังมีตัณหาเป็นอย่างเหนียวถ้าเราจัดพวกนี้เข้าในวัตตะสามตัณหาสินเนหังตัณหาคือย่างเหนียวก็คือกิเลสสวัสเมื่อมีกิเลสสวัสด์ก็มากลายเป็นกรรมนั่นก็คือตัวอุณหภูมิหรือตัวเนื้อหนา พอมีกิเลสมีกรรมก็เกาอออกมาเป็นวิบาก ค, คือวิญญาณแม้ในสายของปฏิจจสมุปบาทก็มีลักษณะอย่างนั้นการปฏิบัติเพื่อตัดวัตฏะจึงหมายถึงการยุติกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญดังนั้นเวลาพูดถึงเรื่องของนิพพานจะพูดถึงเรื่องกิเลสมากกว่าจะพูดถึงเรื่องของกรรม เพราะการรมนั้นเป็นผลพวงมาจากกิเลสเท่านั้นเองแต่หากว่าละกิเลสไปได้กระบวนการทั้งหมดก็ต้องพังไปแบบเดียวกับการตัดศีรษะงูทั้งตัวเช่นั้นการปฏิบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีของพระเดชจ้าของพุทธศาสนิกชนที่มุ่งหวังผลคือเป็นิพันธ์เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะตั อวัตตะทั้งสามประการได้ข้อที่ห้าเรียกว่าตันหักขยโยคือเป็นความสิ้นไปแห่งตันหานี่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นแสดงถึงรูปปฏิเสธคือความไม่มีสิ่งที่เรามีกันอยู่นิพพานทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการพูดถึงอีกฟากหนึ่งของโลกซึ่งก็หมายถึงโลกุตระ ตอนนี้หมายความว่าไงหมายความว่าในชั้นของโลกิยะนั้นสัตว์โลกยังมีความเมายังมีความกระหายยังมีความอาลัยยังวนเวียนอยู่ในวตัตฏะและยังตกอยู่ภายใต้อานาจของตาันหา์เพราะนิพพานจึงไม่มีที่โลกโลกจึงไม่มีที่นิพพานในชั้นที่สมบูรณ์แต่ถ้าจะถามว่าโลกเกิดที่ไหน ก็คือเกิดที่ความไม่นิพานเกิดที่ไหนนิพานก็คือเกิดที่ความไม่มีของสิ่งที่ในโลกมีนั่นเองตันหักขโยซึ่งก็หมายความว่าในชั้นของโลกนั้นยังประกอบด้วยตันหาอยู่เวลาหมดตันหาในจุดนั่นเองก็จะกลายขึ้นมาเป็นนิพานคือเป็นสภาพที่สิ้นไปแห่งตันหาเพื อ, อาการทยอยานดิ้นรนของจิต ที่สายไปในวัตถุกรมคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่ใจของบุคคลไปกำหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจแล้วก็ให้เกิดเป็นความมีความเป็นความกำหนัดความยินดีในอารมณ์หลดนั้นมีความเพลิดเพลินสยบอยู่ในอารมณ์หลดนั้นเพราะว่าตัะหาความทะเยอทียนอยากในความมีความเป็นตลอดถึงการต้องการอุบัติบังเกิดในกติในภพที่ เข้าใจกันว่าประณีตมีความสุขช่วนิรันดร์นจนวีภาวะตันหาความไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นไม่ต้องการทำลายพินาศไปจนถึงกับต้องการให้ขาดศูนย์ปเป็นต้นในภาวะของนิพานนั้นไม่มีอาการอย่างนั้นตอนนิพานเป็นตันหักขโยโญคือเป็นความหมดไปเป็นความสิ้นไปแห่งอาการดิ้นรนทะเยอทะยานอยากแห่งจิต ต่อไปคือวิราโกได้แก่ปราศจากความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็คล้ายๆกับสงบระงับความกระหายนั่นเองแต่อย่าลืมว่าคําเหล่านี้เป็นคําที่เรียกว่าวัยพจน์กันคือคําที่ใช้แทนกันบางครั้งจะเรียกโดยชื่อใดชื่อหนึ่งแต่อาศัยที่ เป็นธรรมที่ต้องสัมผัสด้วยใจการใช้คำเป็นสื่อความหมายเพื่อเกิดความเข้าใจจึงเข้าใจไปได้ไม่กี่เปอร์เซนต์และต้องอาศัยคาเป็นอันมากมาใช้เป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่นนานิพันบางครั้งจะทรงยกย่องตัววิราคะว่าเป็นยอดแ่งรทมทั้งหลาย อย่าที่ทรงแสดงไว้ว่าวิราโกเศธโทรธรรมนังวิราคะเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าลักษณะของนิพพานที่มีอาการดังกล่าวแล้วหรือที่ปรากฏในที่อื่นก็ชื่อว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายทั้งหมดวิราคะคือจิตที่ปราศจากความกำหนัด หมายความว่าจิตคนโดยปกติจะมีราคาราคาเป็นชื่อของอยางเหมือนกับยางเหนียวหรื อ, อยางไม้จะมีการติดอยู่เรื่อยไปติดในสิ่งต่างๆเรื่อยไปแต่พอปราศจากยางเหนียวมันก็ไม่ติดใจของพระเรียเจ้าที่เข้าถึงนิพพานก็มีลักษณะอย่างนั้นแม้จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายในโลกอยู่เช่นเดียวกับชาวโลกทั่วไป แต่เนื่องจากยางเป็นเหตุให้ติดไม่มีแล้นก็ไม่ติดในอารมณ์รสนั้นแล้วก็เรียกว่านิโรธโทรหรือนิโรธซึ่งตัวนิโรธเองท่านก็ไขายไว้ในธรรมกัจกกักวัตนสูตรว่าเกือจารอาการของจิตที่สิ้นตัณหาที่สละกิเลสได้ที่ถ่ายถอนตัณหาออกไปจากจิตใจได้ จิต ห, หลุดพ้นจากอำนาจกองจันหาและไม่อะไรในสิ่งที่หลุดพ้นและสละไปได้แล้วและเรียกว่นนานิพานคือหมายถึงความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ลักษณะเหล่านี้เป็นการใช้ถ้อยคำเพื่ออธิบายสภาพของนิพานที่เป็นปัจตจังเวนิตาโบวิญยูชีเคลียนวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนดังกล่าวนั้น เมื่อบุคคลกำหนดระลึกพินิษพิจารณาโดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นยกตัวอย่างว่าความมัวเมาในเรื่องต่างๆซึ่งอาจจะน้อมนึกถึงบุคคลบางคนเรื่องราวบางเรื่องขึ้นมาก็ได้เช่นยกตัวอย่างพระภัยมัวเมาในรูปของนางละเวงลักษณะก็เกือบบ้าไปแต่พอหายมัวเมา ก็กลายเป็นพระราชาทที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นพี่ที่ดีของนอ้องอ น, นั้นเมาน้อยๆแล้วก็ละเขาไม่ได้หมดคือยังเมาอย่างอื่นจุแต่ว่าก็ทำให้คนดีขึ้นมาได้เป็นพิเศษถ้าหากว่าบุคคลสามารถย่ายีทำลายพวกความเมาในรูปแบบต่างๆขึ้นไปโดยลำดับบุคคลก็จะมองเห็นเป็นความโปร่งความเบา ความดับสนิทแห่งสิ่งตัว น, นั้นและจิตใจของบุคคลก็จะน้อมไปเพื่อให้สามารถสัมผัสคุณคือพระนิพพานได้จิต ท, ที่น้อมนึกไปในลักษณะนี้จะมีลักษณะเหมือนการบรรยายถึงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งน่าเที่ยวน่าทัศนาอย่างจริงมันนึกบ่อยๆคิดบ่อยๆ มันจะก่อให้เกิดเป็นฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความเอาไปเอาใจใส่และวิมังสาการจิตซองพิจารณาหาเหตุผลหาอุบายวิธีที่จะไปสู่สถานที่นั้นให้ได้แต่ในชั้นของการปฏิบัติคือการทำจิตให้สงบระลึกอยู่ถึงตัวความสงบระงับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เช่นเวลากิเลสบังเกิดขึ้น แล้วลองดูว่าถ้าไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยอาการอย่างนี้จะมีไหมบุคคลก็จะเห็นว่าจะไม่มีอาการจากนี้ความพอใจในภาพรงกันข้ามหรือในภาวะรงกันข้ามกับการถูกกิเลสรุ้มรุมก็จะบังเกิดขึ้นและก่อตัวขึ้นภายในใจโดยลำดำับการเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อสัมผัสผลก็จะดำเนินไปเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งบุคคลก็จะสัมผัสสภาวะเหล่านั้น ได้ตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อตปนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป